ยังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติปุชาจักปุชญญาณังเทธรรมังระมุดธรรมันติอิมัสสะธรรมะปริยัสสะอัตโทสะทายัสสมันติสัจจังธรรมโอโซะโต นักโอกาสตอนน่อไปเป็นเวลาที่พวกเราศิลปินอนุศิษ์ทั้งบรรพชิตและคร้หัดที่ได้มาประชุมสโมสรสังนิบาต ณนะวัดป่าบ้านหนองว่านอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครแห่งนี้ยังด้วยวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2557 เป็นวันที่สิ ท, สทธิารุสิ์พุทธบริษัททั้งหลายได้รวมกันบําเพ็ญบุญกุศลทักษินานุปทานเพื่อน้อมนําบุญกุศลคุณงามความดีที่เกิดจาก กายวาจาใจของเราน้อมบูชาพระคุณขององค์หลวงปู่เทนเส ม, มาเซียวผูเป็นพระบุรพาจารย์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นที่เคารพการไหว้สการะบูชา ของเราพุทธบริษัทสิทธญาณสิทธทั้งหลายเทองท่านได้ถึงแก่มรณภาพจากพวกเราไปในวัยของหลวงปู่อายุแปสิบหปีพันศห6สิบสา <c oughs> เมื่อเราบูชาพวกเราไปแล้วในส่วนที่เรียกว่าชีวิตอินทรีย์ขาดการสืบต่อสืบเรื่องกันพวกเราเรียกว่ามรณาภาพหรือดาม สมมตินิยมทั่วไ ป, ปเรียกว่าตายส่วนมรณาภาพเป็นศัพท์ที่ใช้กับครุบาอาจารย์รพัะภิกษุสงฆ์เมื่อรักสังขารสิ้นชีวิตจากไปก็เรียกว่ามรณาภาพความหมายก็คือสิ้นสุดการ สืบต่อแห่งชีวิตและก็ได้บำเพ็ญบุญกุศลน้อมถวายองค์หลวงปู่มาโดยลำดับจนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการที่รวมกันบำเพ็นกุศล สวดทอ่ออาิธรรมน้อมถวายบูชาในองค์หลวงปู่ในวันพรุ่งนี้วันที่สองก็จะเป็นวันถวายเพลิงไปชุมเพิงถวายเพลิงสรีระขององค์หลวงปู่ในวันพรุ่งนี้ การกระทําทั้งหลายดังที่พวกเราได้กระทํามานี้เป็นการสแดออาราดสแดงออกในการทําความดีแสดงออกในการปฏิบัติอุชาต่อ พระบรภอาจารย์รมหาเทระที่เป็นครูผู้แนะนำสั่งสอนผู้นำพาประพฤติปฏิบัติจะเป็นอาจารย์ผู้สอนเป็นครูผู้นำประพฤติปฏิบัติมีปฏิปทา อันดีที่องค์ ป, ปู่ท่านพาลุกศิตย์ลูกหาสถาญาโยปฏิบัติตามหลักแห่งศีลสมาธิปัญญาหรือว่าดำเนินตามมุ่ทางคือมักแปดซึ่งเป็นมักคา มัคคัติปทาเป็นทางดำเนินไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่ความสิมสมม้นไปหมดไปแห่งทุกโดยชอบในที่สุดร้องปูเป็นผู้มีความเสียสละ ผู้มีธรรมะเป็นผู้มีเบตตาธรรมต่อศรัทธาญาโยมสิยันตินนทั้งหลายในเบื้องต้นที่องค์หลงปู่ได้เสียสละ แด้เสสละได้ให้ทานได้ ใ, ให้ทานความสุขความสบายอันจะคืนมีในความเป็นผู้คองเรียนในความเป็นคารวะผู้คองเรียนลูก โ, โู้ก็ให้ทาน ให้ทานบ้านเรียนหลวงปู่ให้ทานภัณฑยาหลวงปู่ให้ทานบุญที่ดารวมแล้วเรียว่าทรัพย์สมบัติในโลกีสุขความสุขใน โลกิยะในความเป็นผู้ครองเรียนนั้นมีความสุขเพราะมีสามีมีภรรยาความสุขเพราะมีทรัพสมบัติเรียนชาญบ้านช่องความสุขเพราะความมีบุรมีธิดาสิ่งเหล่านี้เป็นความ สุขในโลกียสุขความสุขในโลกสุขเรามีสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ยินดีพอใจแต่หลวงปู่ท่านให้ทานหมดท่านไม่เอาท่านไม่มีท่รารยาท่านก็ไม่มี ลูกหญิงลูกชายท่านก็ไม่มีเรียนชารบัญช่องท่านก็ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆ ต, ตามสมมติในโรคโรคีรคิยสุนีท่านเสียสละท่านมาเอาสมบัติของพระพุทธเจ้า สมบัติโดยสมมุติก็บริขารแปหลวงปู่ท่านมีสมบัติแค่บริขารแปคือมีผ้าุนมผ้าโหมมีบานมีมีดโกนมีธรรมกะรงมเครื่องกองนามมีมิดตัดเล็บ เดวามีเลนห้าห้าสามเป็นสมบัติมีแค่นั้นแล้วก็ท่านม า, าสมบัติธรรมสมบัติธรรมได้แก่สีนสมาธิปัญญาติ่พระพุทธเจ้าส่ง ประธานให้ในความเสียสละยาคับเสียสละออกจากลูปเสียงกิ่นรถโพตภะในควาเสียสละออกจากกรรมวุณนหา้าเสียสละออกจาก กิ่เลสกังวัดสุดกางมาเอาสมบัติแห่งอริยมรอริยจาในเบืต้นที่ลวงูเสสละออกมา เมื่อท่านได้มาบวชผู้ที่ต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์เรียกว่าสละตนออกจากเรียนตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าจทรงแสดงในอนุภูพิคติฐานห้า สลัก็สลัดไม่อยากให้ก็ให้เดีวยาให้ทานสลัดบริจาคให้ทานกายว่าจาใจของตนนี่เรียกว่าเป็นการให้ทานอันเลิศอันประ เ, เ, เสริฐให้ทานออกจากโรคสงสารมาสู่ บริยญธรรมศีลความเป็นผู้มีความสำรวมกายวาจาใจให้ปฏิจจ า, าโททั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ ทำกายวาใจาใจให้บริสุทธิ์หมดจดจากความสศมองจากความเป็นโทษที่ยังต้องสำรวมระวังความสำรวมระวังนั่นแหละเป็นสติอาศัยสติรละลึกรู้สมบัตสัญญาความรู้ตัว สัรวมถึงพร้อมด้วยความสำรวมระหวังจิตกายเป็นสติสังชัญญะมีความสำรวมต่อเนื่องกันรวมพลังเป็นสมาธิจิตตัางมัน่นตัางมั่นอยู่ในความสำรวมตังมั่นอยู่ในความ ไม่กระทำในสิ่งที่เป็นโทษเนีสมาธิทำคือความตั้งใจมั่นหลวงปูท่านได้ปฏิบัติตามหลักธรรมแห่งทานศีลเมื่อมีทานการศีสละศีลความสำรวม ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะจนมั่นคงในสภาวะจิตของเราในอาการแหง่งความรู้รจิตใจความรู้หรือเป็นอาการที่นึกคิดมีความสมรวมให้มั่นคงด้วย สติระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบัน <c oughs> ปัจจุบันกายปัจจุบันวาจาปัจจุบันใจที่รู้รู้จะเคลื่อนไหวไปมาเดินข้างหน้าถอยข้างหลังก็มีความระลึกรู้มีสัมปชัญญะความรู้ตัว จะพูดจะกล่าวทางวาจาก็า ม, มีสติระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวีนเรียกว่าเป็นการสำรวมก็มจึงรวมเป็นสติสัมปชัญญะรวมเป็นสมาธิความตั้งมั่นในปัจจุบัน ของใจเมื่อมีธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นใจก็มีความสุขมีความสบายใจมีความปลอดโปรงมีความ็นตัวของตัวเองไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของสัญญาอารมณ์ ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของตัญหาคือความอยากความอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากมีอย่างโน้นอยากมีอย่างนี้อยากมีสุขเพราะรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีสุดสุขเพราะมีสมบัติอ ส, สุธาน วัสดุต่างๆมีความอยากเหล่านี้ไม่ค้อบงำใจสติสมาธิเป็นกำลังค้่กันใจคือความรู้มูอยู่เนืออำนาจความอยากใจก็มีความสุขมีความสบายมีความปลอดโปร่งมี ปิติความอิม่มปิติธรรมควาอมอิ่มอกอิ่มใจด้วยสติด้วยสมาธิที่เป็นตัวหนุนเป็นเป็นเครื่องหนุนใจนจริงว่าเป็นสวรรค์สวรรค์คือความสุขสวรรค์หกชั้นชะกามาพจดเป็นสถานที่ มีความสุขหรือเป็นกิริยาอาการให้เกิดความสุขของใจที่สัมผัสกับควบภูมหรืออาการเหล่านั้นมีใจจะมีความสุขมีความเบามีความสบายอันนี้ได้ชื่อว่ามีความสุขในสวรรค์นในรัตนสง่งแห่งสวรรค์ ใจของเรามีจาระมีสีร่างคือมีสติมีสีมีสติมีสมัมพันธ์ญามีสมาธิมั่นคง <c oughs> อันนี้เป็นวิธีทางในหะ้เกิดความสุขที่ใจหรือสุขที่กาย กายก็สุขใจก็สุขถ้าหากว่ามีพลังแห่งสติธรรมสมาธิทำแล้ว <c oughs> แล้วก็นาตนออกจากความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสโขดธัชเรียกว่าสลักเนธรรมะั่นคือเรว่า ในคำม่คือสลัดออกจากการมคุณห่างเสียสละออกไปไม่ยินดีไม่บกบุนถึงแม้จะมีความยินดีมีความพอใจอยู่ก็พยายามเสียสละด ออกไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่เป็นธรรมโดยการรักษาศีลนั้นโดยการเจริญสมาธิให้ตั้งมั่นที่เป็นสายมาจากจาคะความเสียสละสีรความสำรวม สมาธิความตั้งมั่นของใจนี <c oughs> ่รวมอยู่ในเดียวกันอาการแบานี้รวมอยู่ในใจคือผู้รู้ของรู้ของเรานี่ไได้อยู่ที่อื่นแต่ก็เสียสละพยายามเสียสละไม่ใจ ต, ตามไปตามสัญญารม อารมณที่เกิดความรักความชอบใจในความเห็นรูปรูปสวยสดงดงามก็ามตามหรือรูปที่ไม่สวยไม่งามก็ต่าในีวก็เปลี่ยนความชังในรูปที่ไม่สวยไม่นามความชอบใจความเปลียนชังก็เป็นอาการแห่งความหลง ความหลงยินดียินไีน่รู้เท่าทั้งสอทั้งซองอย่างในเบื้องต้นมันก็ยังไม่รู้เท่ารู้ทันก็พยายามปฏิบัติด้วยศีลด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยทำให้เกิดท่นนี้ขึ้นภายในจิตใจในหลวงปู่ท่าน ก็ปฏิบัติอย่างนี้ท่านก็ดำเนินมาอย่างนี้เขาในเมื่อท่านปวดได้พรรษาสองสรษ า, ท, า, าท่านอย า, ากจะสึกหาราเวนนั่นมันนั่นมันก็เป็นอาการแห่งความหลงความอยากความเข้าไปสัมะยุทต์กับสิ่งที่เป็นอารมณ์อินดีพอใจ ท่านก็พยายามเสีสยสละเอาไปเอา ม, มาท่านก็ผ่านพ้นไปได้หีหลวงปู่ยังอยู่มาได้จนถึงอายุไข่สิ้นอายุไข่ของท่านนี่อยู่ด้วยธรรมะคือจาะระศีลแล้วก็เนธรรมะความเสียสละ จึงเป็นคุณธรรมนำให้ความสุขอันยิ่งความสุขอันแท้จริงเกิดมีขึ้นได้รับรสชาติจากธรรมะที่ท่านเสียสละเป็นตัวอย่างเป็นครูเป็นอาจารย์ของสิทธิสิเพราะฉะนั้นพวกเราผู้เป็นสิทธิสิต ก็อเอาตัวอย่างหรือดำเนินตามปฏิปทาของอ ง, ง, งค์หลวงบูู่่ที่เป็นศรัทธาโยงอยังเส้อสละออกจากวาดจากเรียนไม่ได้ก็พยายามเสียสละอยู่กับวานกับเรียนคือเสียสละส่วนที่รุ่มหลงทำความรู้จำเป็นจริงให้เกิดขึ้น ด้วยทานการให้ศีลจับรวมรักษาไทยว่าจะใจในศีลห้าหรือในศีลกรรมบทตรศี่ซึ่งเป็นหลักแห่งการปฏิบัติเป็นหนทางแห่งมรรคปฏิปทาเป็นทางนั้นเด็ก็คำว่าปฏิบัติให้เป็นศีล ก็คือปฏิบัติกายวาจาใจของเราเพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกคนมีกายมีวาจามีใจก็นํากายวาจาใจหรือมอบกายถวายชีวิตคือมอบกายวาจาใจของเราลงสูงง่ความเป็นธรรมน้ อ, ถถ อ, ถ ม, อมถวายบูชาต่อพระธรรมหรือยกถวายพระพุทธธรรมประสงค์ เรียว่าเข้าถึงพระรัตนตรัยถวายบูชากายวาจาใจต่อพระพุทธพรธรรมประสงค์เรียว่าถวายต่อพระรัตนตรัยผู้มีศรัทธาผู้มีความเชื่อด้วยปัญญาเข้าใจเหตุและผลตามเป็นจริงแล้วเข้าใจใน คุณธรรมพระธรรมคุ้มกันไม่ให้ตกไปในที่ชั่วในที่ทุกข์มีทุกคติและอบ า, ายเป็นตน้นที่ชั่วที่ทุกข์ได้แก่เปรตและสุรกายสัจจะชาติสัตวนรุร ทั้งสี่อย่างนี้เป็นสถานที่เรียกว่าเกิดขึ้นเพราะความชัว่วความเสียของากายวาจาใจและก็เป็นที่อยู่ของใจที่รุ่มลงมัวเมา <c oughs> กายที่ ไม่ได้ยกถวายพระพุทธประธรรมระสงฆ์ยกถวายต่อมานคือกิเลสอาสะวะหรือยกถวายต่อปัญหาคือความทะเยอทะยานอยากอยากรักอยากขโมยก็ไปรักอยากก็คดผิดในก้ามก็ ก็ามผิผิดอย่างกินเราหม้อสุรากินนี่เรียกว่าถวายกายให้แก่มาน <c oughs> <c oughs> เมื่อมอบกายถวายชีวิตแก่มานก็จึงได้รับความทุกข์ ได้รับได้รับความทรมานถ้าถวายแก่พระพุทธธรรมประสงค์แล้วเรียกสํารวมรักษาไม่ทำโทษทางกายไม่กล่าวทำที่เป็นโทษทางวาจาไม่ปล่อยจิตใจให้เห็นผิดหลงไหลไปตามความอย่าง เป็นการมอบกายถวายชีวิตต่ออรัตน์ไตรบูชาอารัตนะไตรก็เป็นการสร้างความดีคนที่ได้ก็จะได้ความสุขได้ความดีด้วยมนุษย์ได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติจนถึงมิพานสมบัติในที่สุดเพราะ เรายกสมบัติก็คือกายวาจาใจถวายพระพุทธธรรมพระสงฆ <c oughs> ์เหมืนอนจย่างองค์หลวงปู่ท่านยกกายวาจาใจของท่านถวายพระพุทธธรรมพระสงฆ์ท่านก็ได้รับความเป็นมองคนความเป็นอุดมมองคนในชีวิตที่สดชื่นเบิกบานด้วยธรรม มีกายมีวาจามีจิตใจที่ได้รับรสชาติของธรรมะเดี๋ยวนี้ความสุขกายสบายใจด้วยธรรมเพราะท่านถวายกายวาจารใจเป็นเครื่องบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ นี่พวกเรามากระทําบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้เนื่องมาจากนับเนื่องมาจากการเสียสละวัตถุสิ่งของจตุปัจจัยทยาทานเสียสละความสุขความสบายนำตนออกจากบ้านจากเรียน มาสู่สถานที่นี้และก็เสียสละความสุขจากการหลับการนอนให้สบายบายมานั่งปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมอยู่ในขณะนี้เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และเป็นการน้อมบูชา ในคุณขององค์หลวงปู่เครนเขมาสิโยของพวกเรานี่ได้ชื่อว่าพวกเราบูชาสิ่งที่ควรบูชาตามภาสิตที่ยกขึ้นในเบ้นต้นว่ากูชาจากภูชนียานังเอตังังคามุตตมังการบูชาบุคคลที่ควร บ, บูชา และบูชาด้วยเครื่องบูชาที่เลิศที่ประเสริฐขนก็ได้ของเลิศของประเสริฐขนก็ได้รับความเอื้ออิ่มจิตใจของเรามีจิตมีความเอิ้อีนมีความเ บ, บิกบานนี่เป็ น, <า>นเป็นคนตอบแทนที่เรียกว่ามงคล ที่ท่านเรียกว่าความเป็นมงคลเป็นสิริเป็นมงคลเป็นความดีดีด้วยกายดีด้วยวาจาดีด้วยจิต ด, ด้วยใจของเราทำให้มีความช่ำชื่นเบิกบานนี่นเรียกว่าเป็นสวรรค์เราได้ขึ้นสวรรค์ทางเป็นทั้งๆ ท, ที่ยังมีรูปกายอยู่นี่แหละได้ขึ้นสวรรค์ คนจากนารกบกใหม่คือที่ทุกทรมานเศร้าหมองคือจิตใจของเราไม่เศร้าหมองจิตใจของเราไม่ทุลนทุรายจิตใจเบิกบานจิตใจเออบีมยิ้มแย้มแจ่มใสนี่เรียกว่าจิตใจเบิกบานจิตใจไม่เศร้าหมองพราะถ้าจิตใจเศร้าหมองท่านเรียกว่านารก คือความทนระยเกิดขึ้นหรือว่าทุกขติคติที่ทุกขทรมานนี่ถ้าจิตใจเศร้าหมองจิตใจเบิกบานอ่องใสด้วยคุณธรรมสุขติย่อเป็นที่อยู่เป็นที่ไปเป็นที่วังได้นี่เป็นคุณธรรม เป็นคุณธรรมที่เป็นอุดมเป็นมงคลที่พวกเราได้มาน้องบูชาเรียกว่าปฏิปฏิบูชา<ม>บูชาเ้ืยอการปฏิบัติกายวาจาใจของเราเกิดความล้ำลึกถึงคุณของท่านผู้มีคุณ คือพอะบุรพอาจารย์ครูบาอาจารย์ของพวกเราเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่พวกเราจะตอบแทนคุณของท่านในเมื่อพวกเราได้รับสงเคอะอนุเคราะห์โดยธรรมเมตตาธรรมจากครูบาอาจารย์แล้ว เมื่อถึงการที่ท่านทำการละจากไปพวกเราก็แสดงบอกด้วยการปฏิบัติบูชาดังที่กล่าวมาเนี่ยที่ศรัทธา ญ, ญยตจโยมทั้งหลายเสียสละมาเอากายเอาใจมาสู่สถานที่วัดป่าน้องว่าแอนนี้เสียสละ กายใจมาแล้วมาถึงก็ยังมาเสียสละวัตถุสิ่งของเครื่องไถ่ฐานร้วนจะมีการให้การเสียสละมาด้วยการให้ด้วยการเสียสละคือไม่ยึดไม่ถือไม่โรคไม่ได้มาด้วยความโลภ ค, ความอยากในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้ ไม่ได้มาด้วยความยึดมัน่นคือมัน่นในความสุขความสบายมาด้วยความเสียสละเมื่อผู้มีความเสียสละจิตใจเนี่ยเสียสละแล้วไม่ตันีทีเหนียวไม่ยึดไม่เสียดายไม่หวงไม่แห ใจก็สบายแต่ถ้ามีความยึดความถือความหวงแหนความอะไรในวัตถุสมบัติหรืออะไรในบ้านในเรียนในทรัพย์สมบัติของเราต่างๆใจก็จะกระวนกระวายนักนักหน่วง มันมีความสุขมันมีความปลอดโปร่งอิสทายาโยทั้งหลายที่มาหรือครูวาอาจารย์เจ้าก็ทรงที่มีเจตนามา <c oughs> เพื่อปฏิบัติบูชาคนขององค์หลวงปู่ในวาระสุดท้ายที่ท่านยังมี รูปขันให้ปรากฏอยู่ที่ยังไม่ได้ถวายเพลิงสรีระของท่านและท่านสิ้นชีวิตการสืบต่อแห่งกายและใจสิ้นสุดลงก็มามาด้วยความเสียสละมาเพื่อแสดงบอกซึ่งความระรึกถึงบุญถึงคุณของครูบาอาจารย์ เย า, ามาปฏิบัติธรรมมาด้วยความเป็นธรรมถ้ามาแบบนี้มาด้วยความเสื่สลาอย่างนี้ก็จะได้รับผลแห่งบุญผลแห่งคุณธรรมหือจะมีความปลอดโปงมีความสะาดจิตใจไม่มีความโรคไม่มีความ ดังขาความอยาก <c oughs> ทับทงจิตใจใจเป็นธรรมมาด้วยควาเป็นธรรมแต่ถ้ามาแล้วมีแต่ความโลภมีแต่ความอยากสิ่งนั่นก็จะเอาสิ่งนี้ก็จะเอามุ่ง ม, มัน่นในการที่จะเอาคือเทียงสมบัติวัสดุปัจจัยเครื่องอาศัย มีความมุ่งมั่นอยู่เพียงแค่นั้นมาในงานคุวาอาจารย์ก็แสดงความระลึกถึงแต่เวลามาแล้วจิตใจก็านี่แต่ความมุ่งมัน่นที่จะเอาวัตถุสมบัติเครื่องไทยยทานต่างๆไม่มีความเสียสละมาร ท่านจะได้ถาวายจัตุปัญัยเงินทองเข้าของทา ย, ยกทายิกาจะได้มาถาวายสิ่งของอย่างนู้นอย่างนี้นี่เรียกว่ามาด้วยกิเลสมาด้วยความโรคมาด้วยความหลงหลงเห็นสิ่งที่ให้ความสุขอันแท่จริง คือธรรมนะคือความเสียสละความเป็นศีลเป็นธรรมความสังรวมกายสังรวมใจเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์เห็นสิ่งที่มีความหุ่งมั่นความจดจอ่อความพยายามด้วยความอยากที่จะเอาวัตถุสมบัติสิ่งของเงินทองปัจจัย ีวอนบินทบาลเห็นว่าในงานหลวงปู่นี่มีศรัทธาญาติโยมมาทำบุญมากหรือว่าผู้มีศรัทธาทั้งหลายมาตั้งโรงทานมีอาหารการบริโภคมากมายมีจุดประสงค์มุ่งมั่นมาเพียงแค่นั้นเพียงสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ใจของเรา นี่ความเศรมหมดงูนี่ความวุ่นวายสายแสะสะเปราสายด้วยความอยากความปรารถนาในลาบสการะเหล่านี้ <c oughs> นี่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นการบูชาด้วยธรรมไม่เป็นมงคลการบูชาในสิ่งเหล่านี้ ่การบูชาด้วยความเสียสละถึงแม้สธานญาติโยมมาเสียสละจะตุปัจจัยยธานในปัจจัยสี่อาหารบินทวาตจีวรที่อยู่ที่อาศัยเ <c oughs> ครื่องภูราชอาสนะหรือคีรนาเพศสัต์ยารักษาโรคน้ามานะน้าส้มน้าหวาน อะไรต่างๆเป็นเครื่องบำบัดเวทนาเราให้เราเสียสละด้วยความบริสุทธิ์ยวิวทานปาถนาให้เกิดความสุขแก่ตนเองและบุคคลอื่นไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะเอาอย่างอื่นเป็นเครื่องตอบแทน นี่เรียกว่าให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ให้ด้วยความบริสุทธิ์นี่เป็นการปฏิบัติบูชาด้วยทานการให้และก็มาสํารวมศีลจะมาทานศีลสังรวมกายวาจาใจแล้วก็ยังมาสํารวมจิตใจให้รวมเข้าสู่ใจภายในคือความรู้ด้วย การฟังเทศฟังธรรมดืวดการเจริญพุทธหายใจเขา้าโทรหายใจออกมีสติสมประยุทธ์อยู่กับใจคือความรู้ของเรานี่เรียกว่าเรามาเสียสละมาให้ทานมาปฏิบัติธรรมะเป็นการบูชาเป็นการ ระลึกถึงคุณณกุณของพระบุรพาจารย์ที่ท่านมีเมตตาคุณต่อสิทยินุสิต่เรียกว่ามาให้มาเสียสลัดมาเทิดทูนบูชาด้วยธรรมส่วนว่าสิ่งที่จะเป็นไปปัจจัยทั้งหลายเรื่อง ให้ทานของทายกทายิกานำมาซึ่งวัตถุทานปฏิคาหกคือผู้ปกติปฏิบัติธรรมพระเจ้าพระสงฆ์พระสง์เป็นเนื้อนาบุญของโรคเป็นที่ปลูกบุญเป็นที่สร้างบุญของสาวโรคคือ อุบาสกบาศิกาก็เป็นผู้รับผู้รับทานก็รับโดยธรรมรับโดยธรรมรับโดยเมตตาในเมื่อมีขึ้นหรือเกิดมีขึ้นมีผู้ให้มีผู้บริจาคถ้ตอบสนองคือรับด้วยเมตตาเพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศล ของผู้ให้นี่คือความเป็นธรรมแต่ถ้ารับด้วยความปาถนาอย่างอื่นไม่ได้มุ่งความสุขเกิดจากผู้ให้ไม่ได้ให้ก็ขอเอา้นเอาหาวิธีการที่จะเอาให้ได้ จากสรทธาญาโยอันนั้นไม่เป็นการรับโดยธรรมจะไม่เป็นเหตุให้เกิดบุญคือความสุขไม่มีบุญไม่มีกุศลความฉลาดก็ไม่มีแต่ถ้ารับด้วยเมตตาธรรมด้วยความเป็นธรรมคือพรสงเป็นเนื้อนาบุญศรัทธาญาโย สแสดงบุญในเนื้อนาสแสดงแสดงบุญในเนื้อนาอย่างไรเหมือนอย่างองค์หลวงปู่องค์หล่าท่านเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกเนื้อนาบุญของพระสงฆ์พระสิกขาเมื่อท่านเป็นผู้ประพูดดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากหลูกเสียงกินรสผลพระภะออกจากความรุ่มหลง ในการเมื่อคุณหา้าในว่าเป็นผู้ควรรับเครื่องต้อนรับในคุณของประสงค์สุ ป, ปฏิปันโนในองค์หลวงปู่ของพวกเราท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีคือปฏิบัติตามธรรมวินัยคําสอนของพระพุทธเจ้าดีตามหนทางที่จะออกจากความ ทุความเร่าร้อนสุปฏิปันโนปฏิบัติอุชุปฏิปันโนปฏิบันนบ ต, ติเตง ต, ตงต่อมักแปดตงต่อมทางแห่งความสิ้นทุกหมดทุกมันทางสิ้นบาหมดบาสเรียกว่าตรงตามศีลคือความสํารวเลืนจากโทษ ปฏิบัติตรงต่อมกผลนิพพานคือความดับสนิทแห่งทุกขุชุก ป, ปฏิบันโนยายะ ป, ปฏิบันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อออกออกจากบาปออกจากความอย า, อากออกจากความรุ่มลง ม, มัวเมา สามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติสมควรแก่การต้อนรับสมควรแก่การกราบ ก, การไหวการกระทามัญชรีนี่คือคุณของพระสงฆ์หลวงปู่ท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติควรแก่การกราบการไหวการสการะบูชานี่เป็นเนื้อนาอนดี <c oughs> ถ้าเปรียบหนึ่งกับนาภายนอกเนี่ยนาภายนอกของพวกเราเป็นนาที่มีดินที่มีปุ๋ยเป็นนาที่มีดินร่วน ปูกข้าวเรามมเป็นนาที่เอียนมาเป็นนาดินลูกลำดินแข็งก็ได้นถ้าถึงพร้อมด้วยสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจริงปฏิปันโนเรือกว่าเป็นนาดีผู้ทำนาคือผู้ทำบุญ การทำบุญทำทานให้ทานให้ทานแก่ผู้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบและท่านก็รับโดยความเมตตาโดยความฝ่าชนาดีไม่ได้รับแบบเป็นโจรเป็นขโมยเป็นผู้แย่งผู้ชิงก็จะให้เกิดบุญคือความสุขมีานิสง์ มากเมียในสมยิ่การทำทานผู้รับได้รับความสุขเพียงแค่การได้ใช้ปัจจัยสี่เป็นเครื่องอนุเคราะห์และเป็นเหตุให้เจริญ ศีล ส, สมาธิปัญญาได้สะดวกสบายไม่ขัดเคือง <c oughs> อันนี้เป็นผลของผู้รับผลของปฏิฆาหกคือผู้รับทานได้แก่พระเจ้าประสงค์จะมีประโยชน์อย่างนี้จะได้รับบุญอย่างนี้ได้รับความสุขอย่างนี้ส่วนทายกทายิกา ผู้ให้ทานเหมือนเดิมกับเราปลูกต้นข้าวลงในานาพระสงฆ์เป็นานาคนประโยชน์อยู่ที่การปลูกปลูกต้นข้าวลงในานาต้นข้าวก่อนจะมีต้นก็จะก็มาจัดมาจมากเมล็ดข้าวแล้วก็มีพื้นที่อันดี มีน้ำมีอากาศอันดีมีปุ๋ยอันดีปลูกลงไปในนาเมื่อปลูกแล้วต้นข้าวจึงจะงอกงามขึ้นมาต้นข้าวงอกงามอาศัยการทานุบำรุงรักษาโดยการให้น้ำให้ปุ๋ยต้นข้าวก็แก่ตาม เหตุผลของเขาแล้วก็ออกรวมเป็นเมล็ดแก่เจ <c oughs> ้าของนาก็เก็บเกี่ยวแล้วก็เอาเมล็ดข้าวนั่นเป็นผลเมล็ดข้าวเป็นสิทเป็นส่วนของผู้ทานาส่วนานาไม่ได้อะไร นาไม่ได้ายต้นข้าวก็พิ่งอยู่ในนานัาา่นแหละเมล็ดมันเป็นขนที่จะไปบริโภคต่อไปได้นี่ก็เหมือนกันการทำบุญทำกุศลการให้ทานของพยกธิกานี่เป็นการปฏิบัติบูชาด้วยทานการให้และก็พระเจ้าพระสงค์ววาาจาร็นผูรับ ผู้ได้ผลก็คือผู้กระทำแน่จริงว่าบุญอยู่กับผู้ทากรรมอยู่กับผู้สร้างผู้ไดทำบุญบันใดก็ได้รับผลบุญนั้นนั้นสร้างกรรมบรรใดกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนี่เป็นผล <c oughs> นี่ในวันนี้ สทายาทโยสิยานุสิทธังบัปรปชิตและอุบาสก อ, อุบาสิกาได้มาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกันตเวทิตาทำด้วยกรรการมวเป็นบุญกุศลคุณงามความดีในส่วนที่จะแสดงออกให้เป็นรูปประทับในส่วนวัตถุด้วยการให้ทาน แ ใ, ในส่วนานมามธรรมด้วยความเสียสละ ด, ด้วยความสำรวมกายว่าใจใจให้เป็นศีลและด้วยการกำหนดจิตกำหนดใจฟัามเทศฟัามธรรมจเจริญเมตตาภาวนาไปพร้อมกั น, กนด้วยความมีสติกำหนดจิตใจของตนเองให้รับรู้อยู่กับกระแสแห่งธรรมะ เป็นคำริกรรมกองใจของเราให้ตั้งมั่นแน่วแ น, วแนว่อยู่เฉพาะวอมรู้คือใจนี่เป็นผลเป็นประโยชน์ที่ได้มาแสดงออกในส่วนนี้เป็นการปฏิบัติปูชาและส่วนที่เราได้มา ลักรู้เดินมาเห็นในการจากไปขององค์หลวงปู่นั่นหลวงปู่ท่านจากคาว่าจากไปท่านก็ไม่ได้จากไปที่ไหนเป็นเพียงส่วนสภาวะธรรมคือรูปธปรรมรูปธรรมานามธรรมรูปธปรรมคือกาย นา ม, มธรรมคือนามกายก็ได้แก่ใจที่คงคืนอาศัยกันอยู่ส่วนที่สัมผัสกับนา ม, มธรรมเป็นอาการแหง่งนามที่ไม่ใช่รูปก็ได้แก่สัญญาสังขารวิญญาณเรทนานิธิกามานี่ รวมอยู่ในองค์ของหลวงปู่ในข้างที่ท่านมีชีวิตยอยู่คือมีขันห่าประกอบกันรวมเป็นรูปธรรมเหมือนกันกับบ้านเรียนของเราเหมือน ก, นกันกับการสร้างบ้านเรียนการสร้างบ้านเรียนก็มีอุปกรณ์ มีไม้มีเครื่องมุงมีเครื่องต่อเครื่องมัดเครื่องลัดดึงที่เราสร้างบ้านก็มีเสามีไม้ต่างๆจนถึงมีเครื่องมุงมีฟ้าแอบมีประตูหน้าต่างรวมกันเรียกว่าเป็นบ้านเรียนที่สมบูรณ์อยู่อาศัยสะดวกสบาย อันนี้เป็นบ้านเรียนของของกายเป็นบ้านเรียนที่กายของเราอาศัยส่วนร่างกายของเราหรือว่ารูปธรรมคือรูปร่างกายนี่เป็นเรียนของใจเป็นเรียนที่ใจอาศัยอยู่ใจคือความรู้ลู้อาศัยกายอาศัยอยู่กับกาย แล้วก็สั่งการ <c oughs> สั่งการให้กายปฏิบัติตามนี่ที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆก็อาศัยกายมีใจและก็มีกายเป็นผู้ปฏิบัติการตามคาสั่งของใจเช่นเราจะทำความดีนี่เรามีกาย ทำกองดีด้วยกายเอากายนี่แหละมาควาัผขวยช่วยในกิจที่ชอบทต่างมีการหยิบการยืดมีการกระทําที่อยู่ที่อาศัยอะไรต่างก็อาศัยกาย <c oughs> แต่มีใจเป็นผู้สั่งการนี่ยิงว่ากายเป็นเครื่องมือของใจ กายที่มีใจกายที่ประกอบด้วยใจคือจิตหรือว่าจิตใจกายที่ประกอบด้วยจิตมีสิทธิ์ทความดีมีสิทธิ์ทความดีทำความชั่วได้กายปราศจากจิตหมดสิทธิ์ที่จะทำความดีหมดสิทธิ์ที่จะทาความชั่วต่าง เี๋ยแต่เพียงเป็นการไปเสวยวิบากด้วยจิตใจเท่านั้นแหละใ <c oughs> นขณะนี้มีกายกับใจขึ้นพาใส่กันได้ใ <c oughs> นองค์หลวงปู่ท่านก็มีกายกับใจแต่ขณะนี้แยกจากกันเนี่ยทันห้าทันห้าแยกจากกัน สญญาสังขารที่ประกอบสังยู่ด้วยกายสิ้นสุดลงธาตุลมก็แยกออกไปธาตุไฟก็ดับสนิทในร่างกายของวลวงู่ไม่มีไม่เหลื อ, อยังวนี่เหลือสุดาะดินน้ำดินน้ำ ใจก็ไม่มีใจก็ไม่สิงสถิตในกายนะนี่คือความแยกออกไประหว่างสิ่งที่มารวมกันที่ประชุมกันเรว่าขันห้าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณในขันห้าคือความรับรู้ทางตาเมื่อตาเห็น รับรู้เห็นหูได้ยินเสียงรับรู้ได้ยินคือมีวิญญาณหูรับรู้จึงสัมผัสกับเสียงได้จมูกสัมผัสกลิ่น้อมกลิ่นเม็นก็มีวิญญาณในจมูกความรับรู้ในจมูกกายถูกต้องความเย็นความร้อนความแข็งกระด้างความอ่อน นิมนวนเพราะมีวิญญาณกายนี่ท่านเรียว่าวิญญาณในฐานหารูรปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ทนอยู่เป็นปกติกตไม่ได้และก็เคลื่อนไปคือไม่เที่ยงและก็ไม่ใช่ตัวตนจะไปสมมติว่าวิญญาณของเรา สัญญาของเราสังขารของเรารูปร่างกายของเราก็ไม่เป็นเราเป็นเขาให้แต่เป็นเพียงสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นแหละเหมือนอย่างองค์หลวงปู่ของพวกเราขณะ น, นี้ท่านก็ไม่มีวิญญาณในร่างกายของเราวิญญาณในขันห้าหรือปฐมว่าวิญญาณคือใจที่เป็นท่ารู้ก็ไม่มีในรูปในร่างกายนะ แต่ยว่าแยกส่วนออกไปเป็นคนละส่วนไปแล้วเมื่อวิญญาณออกจากกายจากรูปท่านถึงว่ารูปแตกรูปแตกนามดับก็หมายถึงว่าใจนี่ไม่สัมะยุตต์กับกายแล้วถ้ารูปไม่มีในในกายนั้นแล้วิญญาณความรับรูป ตาหมจะหมุนยินกายก็ดับหมดนี่ดับในที่นี้ ย, นยินญาณดับสังขารดับกองปุ่งแตกที่เกี่ยวอยู่กับกายนี่ไม่มีวิญญาณความรับรู้ไม่มีสัญญาไม่มีดับหมดนี่เดียวนี่เหลือแต่ดินน้ำที่เป็นสิรีระอยู่ในวัดภูนี้ สิทนุสิตทั้งหลายก็จะถวายพระเพิงถวายพระเพิงคือถวายไฟอันเกิดจากภายนอกอันเกิดจากเชื่ออยังไฟภายนอกเป็นความร้อนสูงก็จะสังหารละลายธาตุดินกับธาตุน้ำแยกจากกันก็จะลงสู่ความเป็นดิน อเหลือแต่ฝุ่นเท่าฐานอธิธาตุขององค์หงปู่นั่นแหละเรียกว่าธาตุแยกออกดินเป็นดินดน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟวิญญาณธาตุตาหูจหมูกริมกายใจแยกออกไปดักไป <c oughs> เหลือแต่ธาตุรู้ คือปฐมวิญญาณวิญญาณเดิมวิญญาณเดิมวิญญาณที่เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมโดยทิติธรรมอันนี้เมื่อเกิดเมื่อมีขึ้นมาแล้วไม่แตกไม่ดับเหมือนกันกับฟองน้ำฟองน้ำ ม, มันเกิดจากนา้ำเกิดจากนา้ำเกิดจากดินที่รวมกัน เป็นฟองน้ําฟองน้ําทะเลฟองน้ําในมหาสมุทรรวมกันเป็นหินเป็นดินแข็งฟองน้ําเกิดขึ้นเป็นขนาดแล้ก็ดับไปเป็นละลอกละรอกส่วนธาตุดินธาตุน้ําที่รวมกันเป็นฟองน้ํา ยังปรากฏอยู่ยังปรากฏอยู่เมื่อมันกระทบกันมากๆหลายข้งหลายหนก็กลายเป็นดินปูนหินปูนจับกันขึ้นมาก็เป็นรูปแผ่นถาดดินอันนั้นไม่ดังแต่ละลอกน้าเกิดขึ้นกระทบกันดับไปกระทบกันดับไปอันนี้ก็เหมือนกันใจเนี่ย ใจคือธาตุลูกเกิดขึ้นโดยธรรมโดยธรรมชาติมีมาโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สิ้นสุดระหว่างสัตว์โลกที่เกิดที่ประกอบประชุมกันระหว่างกายกับใจมันจึงไม่มีที่สิ้นสุดเกิดตายเกิดตายถึงแม่วาจิตใจดวงนี้ มาประพฤตประทับปฏิบัติทรรู้ทำเห็นทำเข้าใจตามควอมเป็นจริงเป็นความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ดับไม่ได้สูญไปไหนแต่ว่าเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ต่วนจิตใจของสัตว์ืีนคนอื่นที่ก่อเกิดขึ้นมานมาใหม่ในปฐมเบื้องต้นที่ว่าปฐมวิญญาณเกิดขึ้นในเบื้องต้น เมอเกิดแล้วก็มามีกายอาศัยกันก็หลงกันหมุนวนเวียนอยู่เพราะนั้นสัตว์โลกจึงไม่สิ้นสุดโรคจึงไม่สิ้นไม่สิ้นสุดสัตว์โลกนี่หมดไม่เป็นเพราะมันมีเกิดใหม่ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยรืยนี่แหละรูปร่างกายเนี่ยมันแยกจากกันไม่ใช่ตายแต่พวกเราเรียกว่า ตายที่ว่ารวงปู่ท่านมรณภาพหรือท่านตายหรือใครๆก็ตายความจริงไม่ใช่เป็นไม่ได้ตายอะไรนะตายเป็นคำสมมุติ mm hmm. เป็นเพียงสภาวะธาตุาแยกจากกัด น, น้าแยกจากดินวมไฟแยกจากการคืนสู่ธรรมชาติทองไทยเของมา ไปคือความร้อนก็เป็นธรรมชาติของไฟไม่ได้หมดเลยนี่เหมือนอย่างไฟที่เราปรากฏอยู่ในดวงไฟถ้าเราปิดสวิตไฟแล้วไฟในดวงนี้ก็ดับแต่นั้นไม่ได้หมายว่าไฟนี่ศู์ไปหมดไม่มีไม่ใช่อย่างยังมีอยู่ต่อเมื่อมีวัดสดุที่จะ สัมผัสกันให้ปรากฏแสงขึ้นมาแล้วก็เืิดก็เหมือนนั้งกับไฟเราเนึ้ข้าวหวงข้า ว, าวต้มแกงต่างๆนี่แหละไฟเกิดจากหัวไม่ขีดไฟหรือจากเกิดจากตลับแก๊สตลับไม่ขีดไฟที่ใช้แก๊สใช้เห็นหนั่นแหะพอเราขีดจั๊มันก็มีแสง แล้วก็ปรากฏเปลวด้วยเชือของไฟเป็นความร้อนขึ้นมาอาศัยความร้อนที่เหล็กกระทบกันนิดหน่อยครั้งแรกเท่านั้นให้เกิดความร้อนเรามาจุดเทียนจุดตะเกียงอะไรเมื่อเราดับเทียนดับตะเกียงก็ไม่ได้หมายความว่าไฟนั่นสูน์ไปหมดไม่ได้หมายอย่างนั้นเทียนยังไม่อยู่แต่สู์จากตรงนี้แหละตรงที่เราจุด แต่ที่อื่นมันยังมีอยู่เมื่อมีสิ่งกระทบกันให้เกิดความร้อนก็ เ, เป็นเป็นความร้อนเป็นธาตุไฟมีธาตุดินน้มไฟลม ร, รวมกันสัญญาสัญถานวิญญาณก็เข้ามารวมกันในเมื่อมีจิตใจคือธาตุรูหรือปฐมวิญญาณเข้ามาสัมปยุ์กับธาตุดนินน้มไฟลงที่รวมเป็นรูกหญิงลูกชาย เมื่อถึงการเวลาเขาแยกจากกันก็ เ, เรียกว่าตายหรือเป็นการสลายจากกันเท่านั้นแหละที่นี่ส่วนจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ตายเมื่อมีเกิดขึ้นมาแล้วในเบื้องต้นอุบัติขึ้นมาในเบื้องต้นนไม่ดับเนี่ยเกิดมาแล้วก็มีกรรมคือการกระทําที่เรียกว่า กรรมวัดกิเลสวัตรพิปากวัดวัฏฏะสามจิตดวงนี่จะหมุนอยู่ในวัฏฏะสามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเป็นของใครของเราของแต่ละท่านแต่ละคนเป็นใจของใครของมั น, น, นขณะนี้แย่ออกมาแต่เมื่อเข้าร่วมเข้าสู่ธรรมเาเป็นนันเดียวกัน <c oughs> เป็นนันเดียวกันเหมือนกันกับเราตักน้ำ อยากห้อยน้องคองบึงตักมาใส่กระป๋องนี่ใส่ตุ่มนั่นตุ่มนี่ก็แยกมาเป็นน้ำในตุ่มในขันในกระป๋องแต่ถ้าเทลงรวมในน้องน้าอันเดียวกันก็เป็นอันเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้ารูปคือใจที่แรกเนี่ยต่างางานตามเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมามาประกอบด้วยกิเลส สาสวาคือความไม่รู้ประกอบด้วยอภิชาความไม่รู้ในอาการเหล่านี้ก็เป็นตัญหาเป็นความอยากเมื่อไม่รู้จริงแล้วก็มีความอยากเมื่อมีความอยากก็มีความดิ้นรนในจิตนี่ในในท่ารูปท่ารู้นี่จะสัมผัสล้ำรู้ความอยากความดิ้นรนเหมือนเราที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราอยากอะไรเราจะรู้จัก อยากอยู่อยากกินอยากข้าวอยากน้ำ อ, อยากเห็นรูปอยากเห็นสีเห็นแสงอยากสัมผัสความเย็นความร้อนอะไรเราจะรู้จักความอยากเกิดขึ้น <S <S 1> <S 1> นี่มันจะมีความอยากปรากฏขึ้นมาในเมื่ออวิชชาความไม่รู้ปกคุม้ารู้คือใจก็จะมี ความอยากจะเกิดขึ้นเพราะผัสสะเพราะความสัมผัสที่ท่านสแสดงในปัจจยาการที่เป็นสายเป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันวิชาปัจจัยาสังคาราสังคาราปัจจัยวิญญาณมงวิ ญ, ญญาณะปัจจัยนามรูปันามารูปะ ป, ปัจจัยสระยตนมง สลายยตนาปัญญาพัดโสพัดสกปจัจยเวทนาเนี่ยเมื่อมีใจคือความดูรู้มันก็สัมผัสความูรู้ไปสัมผัสเมื่อตาเห็นเมื่อมีอริยชนะก็เกิดความอยากเห็นรูปสวยรูปงามเมื่อมันไปสัมผัสกับหูได้ยินเสียงก็อยากฟังเสียงไพเราะเพราะหิ่ง นี่เป็นอย่างนี่ได้เกิดความอยากเขาอวิชชาเป็นตัวครอบงาเป็นเชื้อแฝงอยู่ในธาตุรูปนี่มาด้วยกันอ ว, วิชชามีอยู่ด้วยกันมีอยู่ด้วยกันกับใจกับธาตุรูปเป็นเครื่องปกปิดกันอยู่นี่แหละจึงเป็นเหตุให้ทํากรรมตั้งห เเป็นเหตุให้ทำกรรมแต่ทากรรมแล้วก็มีวิบากนี่เพราะฉะนั้นจิตดวงนี่ถ้ารู้ดวงนี้จึงหมุนอยู่ในเรื่องความอยากหมุนอยู่ในความสุขความทุกข์ที่เป็นไปจากอาสวะจากกิเลสเป็นเหตุให้กระทำกรรมนั้นจากกรรมที่กระทำนี่จึงหมุนไปไม่มีที่สิ้นสุด ที่นี่จะมาทำให้สิ้นสุดได้ก็ด้วยบุญกุศลคุณงามความดีหรือว่าด้วยธรรมะนี่ด้วยการมาสร้างความดีในเบื้องต้นจะาาเสือสละศีระสํารวมจิตใจให้มีสติมีสัมปชัญญะสมาธิตั้งมั่นไม่ให้จิตนีวอกแวก น้อมรู้ไปตามสัญญารวมวมไม่มีของไม่มีเขต ม, มีสติแล้วก็ประคับประคองตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองคือความเป็นสมาธิของจิตแล้วก็ใช้สมาธิใช้สติสำประชัญญะนี่แหละมาแยกแยะมาวิจัยวิจารเป็นเรื่องของปัญญาเป็นอาการแห่งปัญญา ที่ท่านเห ว, วิตกวิจารยกกิจขึ้นสู่การตึงตองไข้ควรเป็นวิตกเป็นวิจารณเข้าใจความจริงแล้วเกิดปิติความอิม่มเกิดความสุขปิติความสุขวิตกวิจารปิติสุขเอกราคตาในองค์ฌานที่ท่านแสดงไว้ปฐมฌาน มีอง์ห้ามีวิตกวิตกวิจารด้วยความมีสติกำหนดรูเราดึรูจะกวิตกวิจารในเรื่องอันนี้จังที่ความไม่เทีย่ยงเอาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เทีย่ยงนับตั้งแต่รูปร่างกายของเราหรือสัญญาสังขารวิญญาหรือสิ่งที่เรามีอยู่วัตถุสิ่งของ วัตถุสมบัติต่างๆหรือ ท, ที่เรามีรูปหญิงรูปชายบางคนบางจิตใจมีรูปหญิงรูปชายกำลังน่ารักกำลังอยู่ในวัยเจริญแต่ลูกมาตายเสียตายจากไปก็เป็นทุกข์จิตไม่ได้นอนไม่หลับคับแค้นใจหาความสุขในชีวิตจิตใจไม่มีนี่เพราะความ เข้าใจไม่ถูกเพราะความเห็นไม่ถูกเพราะฉะนั้นจึงต้องมาภาวนาใช้ปัญญาพิจารณาหรือเหมือนอย่างองค์หลวงปู่เทนของพวกเราที่ท่านจากพวกเราไปเราก็มีความอะไรอาวอร์แต่ที่นี่อาวัยอาวอร์ด้วยความไม่เป็นธรรมด้วยความโลงมันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แก่ตนของตนเองเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญา วสิ่งทั้งหลายมเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นรูปธรรม ท, ที่มีจิตใจคองก็ตามหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรม ท, ที่ไม่มีจิตไม่มีใจเส้นเครื่องใช้ไม้สอยของพวกเราเรียนชาบ้านช่องบางทีบ้านของเรามันถูกปวกถูกมดกัดแล้วก็เสียวเสียใจ เทมันพังไปหรือเครื่องชาตไม่สอยหรือเรามีวัสดุาติมีรถยนต์รถเก๋งเหรอัทับไปขี่ไปไปชนกันไปเสียดกันแล้วก็เกิดความเป็นทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมเหล่านัน <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ใช้ปัญญา นี่เรียกว่ามาเจริญปัญญาที่มาเจริญธรรมะที่เจริญนาสิ่งที่มีวิญญาณคลองตาอย่างลูกหลานของเราเขามาอาศัยเราเกิดขึ้นพ่อแม่เป็นแดนเกิดของลูกหญิงลูกชายแต่เสร็จแล้วเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาความแปลสภาพ ที่ท่านว่าทุกขสัจอานิจจสัจคือความจรมิงคือความไม่เที่ยงอานิจจตาหรืออานิจจสัจจะความจริงของความไม่เที่ยงทุกขสัจจะความจริงของทุกคือความทนเป็นปกติไม่ได้อนัตตาสัจจะความจริงของความไม่ใช่ตัวใช่ตนอันนี้จะต้องใช้ Yar ปัญญ so า ภาวนาทิจารณาด้วยปัญญาให้เข้าใจของสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ที่เรียกว่าในขันห้าหรือว่ากายกับใจเนี่ยสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ต้องให้ให้เข้าใจด้วยความเป็นจิตเป็นทิฏฐิอันชอบเป็นส ม, มาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ไี่อาศัยปัญญาธรรมศีลสมาธิปัญญาปัญญาที่ประกอบด้วยสมาธิมีกำลังประกอบด้วยศีลบริสุทธิ์มั่นคงคือสติมั่นค ง, งนั่นแหละเป็นเครื่องหนุนปัญญาพิจารณาที่ท่านเรียกว่า วิตกยกจิตขึ้นสู่การพิจารณาหรือการนึกคิดถ้ารูปร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นประกอบด้วยธาตุน้ำไฟลมมีความเจริญอยู่ด้วยธาตุที่ร่างกายของเราเราก็ต้องบริโภคข้าวปาอาหารบริโภคข้าวบริโภคน้ำนี่มันเกิดจากดินก็ต้องเอาดินมาหนุนดิน เอาดินมาหล่อเลี้ยงดินมันเกิดจากน้ําก็เอาน้ําเข้ามาหล่อเลี้ยงน้ํามันเกิดขึ้นมามันอาศัยลมอาศัยอากาศที่พอดีพอดีจึ่มีความเจริญที่เกิดอยู่ในทันในท้องของแม่ <c oughs> ที่สถานที่สถานที่ ดีหรือว่าสถานที่เหมาะก็คือท้องของมารดาเพราะฉะนั้นการเกิดอยู่ในท้องในคันเป็นสถานที่บํารุงให้เป็นสถานที่สร้างรูปร่างกายของเราสร้างด้วยดินด้วยน้ำด้วยบุญหาคภูมิความ อบอุ่นของแม่ด้วเป็นธาตุไฟแล้วก็ด้วยลมหายใจของแม่สูดผ่านเข้าไปนี่เรียกว่าจเจริญขึ้นมาได้ด้วยลมด้วยไฟด้วยดินด้วยน้ําแล้วก็ด้วยวิญญาณธาตุอันนี้เป็นเป็นธาตุแห่งบุญเป็นธาตุแห่งบุญของเราจริงๆ เข้าไปสัมปะยุทธ์แล้วกินเจริญเติบโตขึ้นมาเมื่อข้อเรามาเป็นตัวเป็นตนเน่ก็ต้องกินน้ำดื่มน้ำเนี่ยต้องกินดินอาหารการกินต่างๆเป็นาธาตุดินที่เราเอามาบริโภคจะเป็นข้าวกป็น้ังเป็นผักเป็นเนื้อสัตว์อะไรต่ออะไรน่ะสิ่งเหล่านั้นเป็นาธาตุดินทั้งนั้นเนี่ย ใสยดินเกิดจากดินเอาดินมาโหนดินหลอเลี้ยงกันไว้ให้เป็นไปชั่วขนาดหนึ่งลมหายใจสูตรหายใจเข้าหายใจออกถาดไฟกนมีความอบอุ่นอาศัยแสงอาทิตย์ข้างนอกส่องให้เพื่อได้รับความอบอุ่นภายในกาย อาศัยกันไว้ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็แยกจากกันสลายจากกันนี่เป็นธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ส่วนจิตใจดังที่กล่าวมานมั่นแหละเมื่อมันเกิดขึ้นในเบื้องต้นเนี่ยก็มาอาศัยธรรมะมาอาศัยปฏิบัติภาวนาจิตตภาวนาด้วยปัญญา ที่นี่จะทำให้ความบริสุทธิ์หรือว่าจะกันกรองสนิมของของใจสนิมของท่ารูปคืออวิชชาตัญหาที่มันเป็นนามธรรมเกิดขึ้นอาศัยปัญญาแล้วนั่นะสติสมาธิเป็นพลังรวมปัญญาเป็นการฟักเป็นการยัง่งเหมือนกันกับเรารา เนื้อราบเนื้อหมูเนื้อปลาอะไรก็แล้วแต่และที่นี่ยำยำเนื้อให้ละเอียดนี่เตรียมเหมือนกันกับเรื่องปัญญามาค่ควรแยกแยกมากําหนดรูปสอดส่องที่ท่านเรียกว่าธรรมะวิจยัยความสอดส่องในทางปัญญาคือความรอบรูปรอบรูปแล้วก็อสอดส่อง มันจะเป็นความละเอียดเข้าไปหรือว่าปัญญาเกิดจากการภาวนาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเกิดจากการตึกตองในการวิตกวิจารเป็นการตึกตองจะเกิดปัญญาในเบื้องต้น <c oughs> หรือได้ยินได้ฟังแล้วก็มาตึกตองตา่างเกิดปัญญา ทภาวนาเนี่ยเป็นปัญญาละเอียดภาวนามายะปัญญาเป็นปัญญาที่ประกอบด้วยสติสมาธิที่มีกําลังเท่าเทียมกันกําลังเกิดจากความเพียรเกิดจากศรัทธาเชื่อมั่นเพียรเพียรกําหนดรูปเพียรระลึกนี่จนสติเนี่ มีกำลังมั่นคงไม่ขาดวักขาดตอนสมาธิก็แน่นหนามั่นคงไม่วอกแวกไม่สายแสบปัญญาละเอียดในเรียกว่ากำลังทั้งสา ม, มเท่าเท่ากันจึงรวมเข้าเป็นกำลังอันเดียวเรียกว่าเอโกโทมโมเป็นธรรมมันเดียวเป็นมรรคอันเดียวมรรคแปรวมเข้าสู่มรรคอันเดียวคือ ปัญญาแกงแจ้งนี่ความแกงแจ้งเมื่อเกิดขึ้นความเมื่อดูไม่มีที่ว่าอวิชชาเป็นลักษณะแห่งความเมืดของที่ปกคุมความรู้คือใจมันไม่มีเลยมันแกงแจ้งด้วยปัญญาสอดส่องเข้าใจในอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป หรือความไม่ใช่ตัวใส่ตนเป็นเพียงสมมุติโดยธาตุแต่จะวหวะสมมุติก็สมมุติโดยธาตุเพราะว่าวองเกิดขึ้นแห่งรูปร่างกายของเรามันก็เป็นธาตุเกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมรวมตัวกันถึงแม้จะไม่เกิดเป็นตัวเป็นตนอาศัยพ่ออาศัยแม่ที่ว่า เกิดจากอะไรเกิดจากพ่อจากแม่แล้วพ่อแม่เรื่องต้นเกิดจากอะไรถ้าจะไล่ไปหาต้นเหตุต้นเหตุต้นพ่อต้นแม่ที่มาเป็นลูกเป็นล่างใน ว, วิทยาศาสตร์นักโบราณวัตถุเขาคน้นข้อไปมนุษย์ของเราเนี่ยเกิดมาจากลีนที่แรกเป็นรูปลักษณะเหมือนลีนซะต่อนพัฒนาการมาจึงมาเป็น คนนี่เราเนี่แหละที่นี่ความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นของความเป็นโรคแห่งมนุษย์สัตว์วโรคุตเจ้าทรงสแสดงไว้ในอคัญยสูตรแสดงการเกิดขึ้นแห่งความเป็นมนุษย์ในเบื้องตน้นโรคเมื่อสิ้นสุด ควเป็นมนุษย์ในต้นต้นเนี่ยมันก็ยังเหลือพมที่ท่านว่าคนเราเนกะิดมาจากพกมนั่นแหละมันก็จะไต่ตามไปอีกว่าพมนั้นมาจากอะไรเกิดในต้นต้นมาจากพรมพรมัากินง้วนดินน่ากินง้วนดินโลกที่ถูกเผาอเขี่ยวลงไปแล้วก็เป็น เป็นแผ่นดินใหม่มีกลิ่นหอมหอมได้กลิ่นาากนน็มากินดินมอกินดินแล้วกลายเป็นความอยากขึ้นมาจึงเป็นคนอันนี้ในอาคญญารยสุที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตามที่มีในพระสุจึงเกิดความอยากเป็นคนขึ้นมาเมื่อมีความอยากก็มาเพ่นเล่นกัน ต่อมาจึงมีเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมานะ่ะจึงได้มาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นที่เกิดของลูกเป็นที่สืบพันของความเป็นมนุษย์สืบต่อกันมาแต่ถ้าโดยธรรมชาติแล้วเกิดมาจากธาตุนั่นแหละเกิดมาจากธาตุดินน้าําไฟลมแต่ดินน้าําไฟลมมันเกิดมาจากทันไหนมันเกิดมาจาก ความเป็นธรรมธาตุของเขาเหมือนกันธรรมธาตุแห่งไฟธรรมธาตุแห่งบินแห่งน้ำแห่งลมเนั่นอย่างธาตุนั้นอย่างลมมันเกิดเรากดสวิตช์ไฟพัดลมหมุนก็มีลมถ้าพัดลมนิ่งลมไม่มีแต่อันนี้เรียกว่ามันเกิดจากความหมุนของพัดลมเนีนมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้หละเหมือนกับลมพายุในทะเลกลางมหาสมุทร มันเกิดจากความร้อนและความเย็นปะทะกันนั่นมันจึงมีความหมนเป็นโรมเป็นพายุนี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้สืบไปหาปฐ ม, มเหตุแล้วที่นี่ปฐมเหตุแห่งการเกิดขึ้นเป็นลูกเป็นคนเนี่ยในต้นต้นอาจจะเป็นสัตว์อย่างอื่นก่อน จึงมีความเจริญหรือว่าถ้าเป็นอุปติกะอย่างท่านแสดงไว้นางปทุมวดีเกิดในดรกบววอันนั้นเป็นอุปตทิกะเป็นอุปติกะเกิดขึ้นแล้วก็มาเป็นต้นกําเนิดของแม่อุปติกะของผู้ชายมาเป็นต้นกําเนิดข อ, ของเป็นพ่อแล้วจึงได้มาเป็นพ่อเป็นแม่จึงมีลูกมีหลาน แต่รวมแล้วว่าธรรมชาติของการเกิดจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามก็มาจากธาตุนั่นล่ะมาจากความเย็นความร้อนมาจากธาตุดินมาจากธาตุน้ําอาศัยความเย็นของน้ําความชุ่มของน้ําอาศัยความเย็นของลมอาศัยความเย็นจาก อุณหภูมิความร้อนจากดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์มาจากไหนเริ่มต้นท่านยังว่าดวงอาทิตย์นี่มันก็จะต้องแตกมันกันโรคแตกดวงอาทิตย์ก็แตกพื้นแผ่นดินที่เราอยู่มันก็แตกสลายแต่มันกลับเกิดขึ้นมาเป็นใหม่ขึ้นมาใหม่ได้นี่มันก็เป็นเหมือนกับเป็นอุปติกะอุบัติขึ้นเอง แต่นี่ยมาพูดถึงว่าการเกิดขึ้นของคนเราก็ อ, อาศัยความชุ่มจากธาตุดินอาศัยน้ำนี่ให้เกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีวิญญาณเข้ามาสิงมาสัมประยุทธ์ที่เจร น, นาการเกิดขึ้นของความเป็นลูก ได้จากเส้นอย่างก้อนหินเราก้อนหินมาวางไว้ก้อนหนินก็เป็นธาตุดินล้วนๆในนั้นถ้าก้อนหินมาวางฝนตกมาถูกความชุ่มของน้ําฝนแดดออกมาเผาไปถูกหลายข้างหลายหนมันจะเกิดมีตะไคร่ตะไคร่น่นาจะวามชุ่มของน้ํา ได้มาจากหินมาจากดินหินตัวเป็นดินเป็นธาตุรองรับจะมีตะไคร้เกิดขึ้นตะไคระเจริญขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นเป็นเนื้อหญ้าเขียวๆเป็นบอสอาซาปหลักเขว่าเป็นต้นบอสที่แรกเป็นตะไคร้ไม่มีไม่มีดอกไม่มีเมล็ด ถ้ามันแก่ขึ้นเป็นเป็นบอดจะมีเมล็ดจะมีเมล็ดมีพันธุ์นั่นแหละการสืบพันธุ์ให้พันธุ์ขึ้นในเบื้องต้นนี่คนเราก็เหมือนกันใบโกธาเป็นมแมลงผีโผงมา้าอย่างหรือมแมลงวีใน้ผเมืเดือนี่อาศัยธาตุในเบื้องต้น แล้วก็มีวิญญาณเข้ามาสัมปะจุก็เป็นเหตุให้เกิดเป็นรูปหรือว่าโอปติกะก็มีวิญญาณวิญญาณธาตุธาตุรูปมาอเป็นโอปติกะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นสมมุติทั้งนั้นแหละคำว่าดินน้ําไฟลมเป็นสมมุติรูปเวทนาสัญญาฉันขานวิญญาณเป็นสมมุติทั้งหมด ถ้ามันรวมลงสู่ความเป็นวิมุตติความไม่สมมติน่ะคือลงสู่ความเป็นธาตุบริสุทธิ์ถ้ารู้มันจะบริสุทธิ์ได้เลยอาศัยเนี่ยอาศัยสติสมาธิปัญญาในจิงต้องมาเจริญภาวนามาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจทวะ เข้าใจตามความเป็นจริงแล้วมันจึงจะหมดปฏิกิริยาแห่งความอยากความโลภความโกรธความหลงอะไรจะสิ้นสุดไปเหลือแต่ความว่างในความเป็นธรรมเป็นธาตุรูปเป็นวิญญาณธาตุปฐมวิญญาณเป็นธรรมธรรมชาติธรรมธาตุรูปคือไล่ สนิมของทารู้คือความโลภความโกรธความหลงความอยากความยึดความติดความคล้องอะไรเนะี่ยมันเป็นสนิมของท่ารู้ของใจมาไล่ด้วยปัญญาพิจารณาให้เข้าใจแกงแจงเมื่อมันรวมประชุมทัา สติสมาธิปัญญามันจะสะเทือนมันจะขาดเห็นสมมุติตามเป็นจริงเห็นธาตุเป็นธาตุตามตามสมมุติเห็นสมมุ ต, ต, มตมิ ต, า ม, มม ต, มมตามความเป็นจริงแห่งสมมุติมันจะถอนอุปทานที่ว่าความยึดถือตัวถือตนถื อ, ถอสัตว์บุคคลถือเราถือเขา ถือพ่อถือแม่ถือลูกถือร้านถือยศถือศักด์อะไรทั้งหมดมันจะประชุมขาดรงในขณนะจิตเดียวด้วยปัญญาเย็นชอบสิ่งหมดทุกสิ้นสุดทุกการที่จะีว่าทุกในจิตในใจก็ไม่มี แต่ถ้าหาว่าจิตใจนี่มันยังสัมะยุติกันอยู่กับกายก็เป็นทุกข์ในกายทุกข์ในขันธ์ห้าเัมอรับรู้กันแต่ทุกข์ในใจทุกข์ในกิน่นสิ้นสุดลงในขณะที่ปัญญาทำหน้าที่กลั่นกรองหรือเผาผ่านอวิชชาควา ม, มรู้นะ้ให้สิ้นสุดลงเป็นความรู้ขึ้น โดยแก่แก้งเป็นสมาธิฐิดโดยชอบความเป็นชอบมันจะทุกข์ในจิตจะสิ้นสุดไปหรือจิตจะว่างว่างจากทุกข์ว่างจากสมมุติว่างจากตัวจากตนเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะตนนี่ เข้าถึงความเป็นวิสุทธิธรรมของจิตวิสุทธิจิตวิสุทธิธรรมได้ด้วยบุญกุศลคุณงามความดีเป็นสายมาจากทานน้ำใหม่สีระใหม่เป็นสายมาจากทานจากศีลจากสติสมาธิจะมาถึงปัญญาชอบนี่ธรรมะ หรือว่าการประพฤติทมปฏิบัติธรรมพระธรรมนี่แหละให้เป็นเครื่องนำบอกให้ถึงที่สุดแห่งทุกโดยชอบได้ศีล ส, สมาธิปัญญานยอย่าลืมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าวัตถุสิ่งของสมบัติต่างๆนั้น เป็นของที่เขามีอยู่เป็นอยู่ของเขาจิตใจเนี่ยไปให้คุณค่าโดยสมมุติเท่านั้นแหละเหมือนกันเหมือนกันกันกบสมมุติเงินทองเขา้าคลองเนี่สมมุติแล่ธาตุเพดร น, นินจินดาทองคาว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าตัวเขาเองเขาไม่เลยว่าเขามีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าทองคำธรรมชาติมาหล่อมาร้อม ทำเป็นสอยเป็นแหวงใส่ที่เนิ่วมือเราค้องไว้ที่คอเขาไม่ได้มีอะไรเขาเฉยๆแต่ใจของเราไปให้คุณค่าเรามีทองคำที่เนิ่วมือเราหนักบสองบาทสามบาทเรามีนี่ก็ไปให้คุณข่าตามสมมุติให้ให้คุณค่าของ แร่ธาตุต่างๆแต่สิ่งที่มีคุณค่ายิ่งสิ่งที่มีคุณค่าอันประเสริฐคือธรรมะเท่านั้นแหะที่จะทําที่สุดแห่งทุกจากรวงจิตรวงใจของเราให้สิ้นสุดสมมติลงได้สิ้นสุดวิชาตันหาความมืดความไม่รู้ด้วยศีลสมาธิปัญญา เพราะฉะนั้นองค์หลวง ป, ปู่ของพวกเราท่านน้อมรับจากพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าให้สมบัติอันทรงคุณค่าคือศีลสมาธิปัญญาศีลทานภาวนาท่านน้อมรับเราและท่านึนได้สละตัวของท่านออกสละกายใจออกมาเอาสมบัติที่มีคุณค่า คือสิ่งสมาธิปัญญานี่ปฏิบัติได้ทำได้จะเป็นญาติเป็นโยมก็ตามเป็นพระเป็นเนรก็ตา่างนั่นต่างกันจะเป็นเพศเฉยๆเพศของพระของเนรเพศของอุปสมุปสิกาสมมติกับผู้คนผมขูดทิ่วมาเข้าสู่คธีการ นุ่โหงภผ้ากาสาวัตพัอายุครบยี่สิบปีสมมตุติด้วยจตีจตุทกรรมแหละต่อเป็นพระสงฆ์นี่โดยสมมุติอายุยังไม่ถึงยี่สิบขอบรรพชารับสีลสิบต่อเป็นสามเณรญาติโยมพ้อออกไม่ออกรับสีลห้าสินแปดก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาและที่เนี่ย ธรรมะที่มีคุณค่าเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งทุกข์ถ้าหาว่าใครประพฤติปฏิบัติใครน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติมาสร้างสติให้สมบูรณ์มาสร้างสมาธิสารวมกายสารวมใจ แล้วก็มาสร้างปัญญาเจริญเนตตาภาวนาให้ต่อเนื่องกันจนเป็นปัญญาละเอยียดเข้าใจในความจริงเข้าใจในสมมติสิ้นสุดสมมติสิ้นสุดอุปทานที่เข้าประยุทธ์ตัวถือตนได้เหมือนกัดใจเป็น ภาชนะคู่ควรกับธรรมะธรรมะบรรจุลงที่ใจศศรลสมาธิปัญญาบรรจุลงที่ใจที่รู้นี่เป็นสิ่งที่คู่ควรกันเป็นสิ่งที่ขัดศีให้เกิดความบริสุทธิ์ อย่างอื่นไม่มีกายก็ไม่ได้รับรู้อะไรวาจาก็ไม่ได้รับรู้อะไรเป็นเสียงเสียงแตใจนี่รับรู้และที่นี่ที่คู่ควรอย่างยิ่งก็คือใจแห่งความเป็นอั ต, ตภาวะอั ต, ตภาพแห่งความเป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยเหมือนอย่างพวกเราเราท่านท่า ทายาทโยมปสุปสิกาภูวา j ย์พระเนมทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าเราได้สมบัติอันเป็นฐานที่รองรับแห่งธรรมะที่ประเสริฐในอัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์แรกก็มีจิตใจที่สิงสถิตยอยู่ในอัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์แต่ถ้าใจนี่ไปสิงสถิตสัมประยุทธ์ในอัตภาพแห ความเป็นสัตว์โดยารหรือภูมิแหงเปตสุรกายสันนโรกไม่พูกควรกับธรรมะคือศีนสมาธิปัญญาอันเป็นเครื่องฟอกเครื่องสำาระสิ่งเศร้าหมองให้สิ้นสุดลงไม่ได้กนี่ยาะนั้นเป็นลาบอันปเปิดที่พวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ จะเป็นหญิงก็าตามเป็นชายก็าตามก็เป็นสภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ชาติเหมือนกันและก็ได้มาพบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้เราไม่ได้พบในขณะที่พระองค์ยังทรงพ่อชนพระรูปพ่อโสมอยู่ก็ยังได้พบอยู่ในขณะนี้คือได้พบธรรมะได้ยินได้ฟังได้ ศึกษาหนทางที่จะนำไปสู่ความเป็นพุทธความบริสุทธิ์อันหมดจดแห่งจิตใจนั้นได้นี่นะว่าเป็นลาบอันเปรศจึงควรที่เราจะน้อมนำเอาธรรมะที่มีคุณค่ามาไว้ในภาชนะอันทรงคุณค่าคือกายใจของเรา นี่สมควรจริงๆเพราะว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วเป็นโอกาสอันดีเป็นโอกาสอันดีนดยิ่งเป็นความดียิ่งเป็นความวิเศษอย่างยิ่งเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งเหนือความอัศจรรย์ทั้งหลายทมเป็นอัศจรรย์กายใจเป็นอัศจรรย์ ว่ากายดีใจดีธรรมะก็ดีเป็นสิ่งที่ดีๆเอาของดีๆมาบรรจุลงในของดีผู้ควรกันและจะได้รับความดีอันบริสุทธิ์นี่ศีลสมาธิปัญญาสติสัมปชัญญะฝึกอันนี้ ยินดีในการฝึกสติของตนฝึกสติรา ล, ลึกรู้จนเป็นสัมปชัญญะรู้ตัวในปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนธรรมปัจจุบันแห่งความรู้คือใจเมื่อศีลสมบูรณ์สมาธิอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งยากอะไร ขอให้รักษาศีลปฏิบัติศีลให้สมบูรณ์ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะความระลึกลูกร่รอบคอบในการที่จะไม่ร่วงเกินในสิ่งที่เป็นโทษเมื่อโทษไม่มีก็ไม่มีปฏิฆะไม่มีความ ก, กวลกวายไม่มีความทายแส่ของใจ เรากำหนดเอาให้รู้ที่นี่ให้รู้อยู่กับลมหายใจปัจจุบันมันก็จะแน่วแน่ได้ง่ายท่านจึงว่าศีลเป็นเครื่องหนุนสมาธิจิตให้ตั้งมั่นได้เร็วหรือให้มีกำลังเมื่อสมาธิสติต่อเนื่องเป็นสมาธิมั่นคงแล้ ปัญญาการที่จะจดจ่อรู้ในสิ่งใดเห็นรู้ในกายรู้ในเวทนารู้ในจิตรู้ในธรรมก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งสิ้นสงสัยได้เร็วได้ง่ายไม่ยุ่ยงยากนี่จึงว่ามัก คือศีลสมาธิปัญญามีกำลังป um, ระชุมรวมลงเป็ Hue Peak Paper Jessie, right United threats, wishes, นหนึ่งที่ใจจะทำหน้าที่ขับไล่สยส่งสิ่งที่เศร้าหมองต่างๆออกไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์หมดจดความบริสุทธิ์หมดจดความบริสุทธิ์หมดจุดก็มีใจนั่นะเป็นที่ตั้งเป็นผู้รู้คาว่าบริสุทธิ์หมดจุด ก็คือความรู้นั่นหะหมดจดทุก์ก็ไม่มีได้นำธรรมะมาแสดงด้วยการสีแงแสดงเป็นการอบรมแนะนำพูดถึงเหตุผล พูดถึงเหตุแห่งทุกเหตุให้ถึงที่ความสิ้นทุกข์อันแท้จริงด้วยรักศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยสัจ ธ, ธรรมเป็นความจริงเป็นธรรมความจริงของพระอริยเจ้า คือศีลสมาธิปัญญาหรือแสดงถึงอริยสัจ ธ, ธรรมทั้งสี่ในแก่ความอยากเป็นเหตุที่เกิดทุกข์การเจริญศีลสมาธิปัญญาเป็นเหตุที่จะให้ทุกข์ให้ความอยากมันดับไปสิ้นสุดไป เพื่อเป็นการน้อมบูชาถวายเป็นธรรมบูชาในวงหลวงปู่เหนเหนมาสโยซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของสิบยานสิ์ทั้งหลายที่ได้ซีแกงสแสดงโดยได้ยกเหตุเบื้องต้นว่า ยังกิมจิสมุทยธรรมมังสัปปัญตังนิโรธาธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีความดับและบูชาจากบูชนียานา่การบูชาบุคคลที่ควรบูชาย่อมนำมาสึ่งอุดมมงคลอันสูงสุดขึ้นว่าขึ้นชื่อว่า สมมติสิ่งที่เป็นสมมุติทั้งหลายทั้งปวงคือเกิดขึ้นเกิดขึ้นโดยสมมุติกเกิดขึ้นโดยการปรุงแต่งหรือการสร้างให้เกิดให้มีขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นหรือแม้แต่ความนึกความคิด จิตตัคุณนคิดมันเกิดขึ้นแห่งความนึกคิดและมันก็ดับไปดับไปพร้อมกันนึกคิดขึ้นมาก็หายไปดับไปภรุงแต่งแล้วก็ดับไปสังขารภรุงแต่งสัญญาจําแล้วก็ดับไปพร้อมกันนร่างกายสังขาน ร, ร่างกายของเรา มีความเกิดขึ้นนะบ่แกไปแกไปก็สลายไปองค์หลวงปู่ที่เป็นเคารพของพวกเราท่านก็มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นสุดท้ายก็สลายไปคือดับเกิดขึ้นในเบื้องต้นท่านก็มีกิเลสลาสะวะมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส มีความอยากใน ค, ความมีครอบมีครัวแต่ท่านก็สลัดเอาไปเรียกว่าดับไปมันมีความเกิดแล้วมันก็ดับนีว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่ดับแต่สิ่งที่ไม่เกิดไม่ทุกแต่สิ่งที่ไม่เกิดไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าทุกขังนาถิอชาตัสสัต ทุกย่อมไม่มีแค่ผู้ไม่เกิดจิตวิญญาณที่ไม่มีอวิชชาตันหาปกคุม <c oughs> ก็ไม่มีความหมุนไปในกรร ม, มวัฏกิเลสวัฏญิบากวัฏสิ้นสุดทุกข์หรือเป็นความบริสุทธ์โดยธรรม <c oughs> ถึงแม้มันจะมีความเกิดมีกิเลสอาสะวะมันก็ดับไปได้สิ้นสุดลงได้โดยธรรมคือศีลสมาธิปัญญาได้แสดงพระธรรมเทศนาขอน้อมเป็นการบูชาในพระคุณขององค์ หลงปูเ่เคนเสมาอาเคมาเซโยซึ่งเป็นที่เคารพกราบไายบูชาอันอย่างยิ่งของศิษยานิสิ์ทั้งหลายก็เห็นว่าสมควรแกร่การเวเวลาในที่สุดนี <c> ้ <oughs> <c oughs> พัธมาพาวขออธิษฐานจิตระรึกถึงคนของ พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงและคุณของพระบุรพ า, าจารย์ทีอองค์หลวงปู่เคนเคมาโยที่องค์หลวงปูทงงป่ท่านได้ก็คิดปฏิบัติเจริญสีนสมาธิปัญญาโดยชอบและบุญกุศลความดีที่ สิทิานุสิได้กระทาบําเพ็ญมาในอดีตและในปัจจุบันขอจงรวมเป็นพระเป็นกําลังแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพและอาจารยานุภาพดลบรรดาล เป็นพลังหนุนนำดวงจิตดวงใจของคณะสิทธิหนสิทธิอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ยังอยู่ในเบื้องหลังขอให้เระคึกปฏิบัติธรรมได้รู้ธรรมเห็นธรรมนำมาสึ่ความสุขความเจริญในชีวิตจิตใจ เริด้วยธรรมะสุขสบายด้วยธรรมะสุขสบายด้วยวัตถุปัจจัยสี่โดยชอบรวมแล้วว่าขอให้มีความสุกกายสบายใจด้วยพรทั้งสี่คืออายุวันนัสุขพรตะ ปฏิภาณธานัสารสมบัติจงมีความสุขกายสุขใจทุกทุกท่านทุกทุกคนในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อในอิริยาบถ ท, ทั้งยืนเดินนั่งนอน เมื่อปารนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบ ด, ด้วยธรรมแล้วที่จะให้เกิดความสุขกายสบายใจขอความปารนานั้นๆจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จแก่ทุกท่านทุกคนเธอ Amen. Uh.